ผุทธังสร้ังกัจา ู่การระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์หรือคุณพระอริยสงฆ์เจ้าคำอริยสงฆ์ก็เริ่มตั้งแต่โซดาปฏิมักโซดาปฏิผลสกทาคามีมัคสกทาคามีผล อนาคามีมรรคอนาคามีผลจนถึงอรันตมรรคอรันตผลจัดอยู่ในบุรุษสีสคู่ก็คือทั้งหมดก็8ดองค์8ดจำพวกจึงจัดอยู่เป็นอริยะถ้าอาริยะต้องยกว่า ทรงผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบชอบด้วยอะไรชอบด้วยธรรมในการปฏิบัติปฏิบัติได้ตรงตรงต่ออะไรตรงต่อมรุ่ผลและปฏิบัติเป็นผู้ออกออกจากอะไรออกจากวังวนแห่งวัตะทุกขสังสารวัฏแห่งความลุ่มหลงทั้งหลายบอกมีทั้ง ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงและปฏิบัติเพื่อออกจากวัตตะทุกทั้งหลายนี่คือคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าที่ทรงรับรองว่านี่คือสาวกของพระองค์ถ้าดำวานั้น เป็นสมมุติสงฆ์อย่างที่กุลบุตรลูกหลานที่เราบวชมาใหม่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมมุตติสงฆ์ยังไม่เป็นอริยสงฆ์ฉนั้นอริยสงฆ์จะต้องบำเพ็ญตนปฏิบัติในศา ส, ส, ส, สนธรรมคําสอนอีกเยอะ ไม่ได้หมายถึงว่าผู้ที่ได้บวชเข้ามาแล้วจะหลุดพ้นทุกองค์หรือเข้าถึงอริยะหมดทุกรูปก็ไม่ใช่นะก็ต้องดูว่าบวชแบบไหนบวชเรียนบวชสนุกบวชพรานเข้าสุข บวชสนุกตามเพื่อนบวชเล่าบวชเรียนบวชเพียนเขียนอ่านบวชบวชท่องตำรับตำราบวชแสวงหามรรคผลประพฤติปฏิบัติตนดำรงตนไว้ในธรรมจึงจำแนกในการบวชในการศึกษาก็หลักๆ ก, ก็มีอยู่สองอย่างก็คือ ปริยัติสัตว์ธรรมกับปฏิบัติพระสัต์ธรรมผู้ศึกษาปริยัติก็เหมือนค้นคว้าส่งไว้ซึ่งพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าให้แพร่หลายให้กระจรกระจายไปที่ไม่มีวันหยุดนิ่งเหมือนสายน้ำที่ยัง อุ ด, อ ด, ดมไปด้วยน้ำไหลหลากตลอดจะซึมไปทุกพื้นที่ทุกแผ่นดินที่ไหลไปให้ชุ่มชื้นไปส่วนผู้บําเพ็ญปฏิบัติเป้าหมายสูงสุดก็คือทาไม่ถึงกับว่าปฏิเวทะหรือปฏิเวท ทำให้ที่สุดแห่งวัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายวังวนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทำลายในล้อจักรทั้งหลายเพื่อไม่ให้ ดำเนินได้อีกก็คือทำทายสังสารชวัดทั้งหลายให้ถึงกําว่าความรู้แจ้งสู่ความหลุดพ้นตามาเคยยกเรื่องที่ว่าจะแต่งตำราไว้แต่ไม่ได้แต่งง่ายดต่หัวข้อเรื่องคือตาบอดอยากไปนิพพาน ฟังก็น่าสงสารนะอยขนาดตาดีๆยังมึดเลยยังเดินไม่ถูกทางสเปสะสเปาะล้มกริ่งล้มกริ่งอยู่แต่นี่ตาบอดอยากไปในพานจริงๆเขาบอดแค่ตาข้างนอกแต่ตาข้างใน เขารู้แล้วว่าทุกขคืออะไรเหตุของทุกข์คืออะไรความก้าวการออกจากทุกเดินแบบไหนจึงบอกตามบอดอยากไปนิพานที่อยากจะไปนิพานคือใจของเขาเขาไม่อยากติดอยู่กับโลกโสมมโลกโศกโปก โลกมีแต่การแข่งแย่งโลกมีแต่การถกเถียงโลกมีแต่การแย่งชิงโลกมีแต่การห้ามหันกันอย่างนี้เขาเบื่อแล้วเขาเบื่อแต่กว่าจะรู้ทางมันก็เหมือนคนคลำช้างจับงวงก็บอกช้างจับงาก็บอกช้าง จับหางก็บอกช้างจับหูก็บอกช้างจับเท้าใหญ่ๆก็บอกช้างจับลำตัวก็บอกช้างคลำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย ที่เราพูดมาทั้งหมดมันเป็น อ, อวัยวะแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่พอรวมกันเข้านั่นแหละคือช้างอย่างมนุษย์ก็เรียกแขนขาตาหูถ้าแยกออกจากร่างนี้ก็ไม่ได้เป็นคนถูกหเปล่าเพราะอวัยวะรวมกันเออตาปอดคลำช้าง กว่าจะเข้าถึงคำว่าโสดาต้องรู้จักโสกาเสียก่อนก่อนจะถึงโสดาเนี่ยนะมันผ่านอะไรมาเยอะมากเลยจนรู้สึกเห็นถึงโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้เลย โสดาจะเกิดตรงนี้ก่อนนะคนฉลาดแค่ไหนก็ตามถ้ายังเห็นด้วยความเที่ยงอยู่กระแสมันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ก็สรุปว่าไม่ใช่ออก็แปลว่าไม่ใช่ แปลอีกอกี่ครั้งก็บอกไม่ใช่เหมือนเดิมคนที่กำลังเพลิดเพลินสนุกสนานกำลังเมามันเมาไม้นั่นคือคนยังไม่ตื่นนะยังไม่ตื่นเมื่อไหร่มนุษย์ โดนคุกคามเมื่อไหรโดนเจอภัยขึ้นมามนุษย์จึงได้สติขึ้นมาแต่ามาไม่แปลกใจนะว่าทำไมพระพุทธเจ้าบอกให้กำหนดรู้ทุก์ถึงบอกหลายคน พอทุกเกิดมากๆได้สติขึ้นมาได้รู้ความจริงอะไรเยอะเลยตอนที่มีความสุขโดนลวงโดนหลอกทั้งนั้นแต่พอสุดท้ายพอเห็นสภาพทุกข์บ่อยเข้ามากเข้ามากเข้า เกิดความรู้สึกได้ว่าเราไม่ยินดีต่อชีวิตแบบนี้แล้วแลตมาก็เชื่อว่าหลายคนอยู่จุดนี้ว่าเราไม่อยากมีชีวิตแบบนี้แล้วหรือบางคนเริ่มอุทานแล้วล่ะว่าเรา สุดทนแล้วบางคนก็บอ ก, กเราเบื่อหน่ายต่ดอดสภาพที่เป็นอยู่เลือเกินเนี่ยทุกคนกำลังเดินถูกด้อนไปบางคนถึงจนมุมแล้วก็มีติดข้างฟ้าแล้วก็มี บางคนกำลังถูกอัดอยู่ก็มีอยู่มันจะค่อยๆบีบคั้นพวกเราไปเรื่อยๆ เ, เ, เหมือนมัจจุราชก็ค่อยๆต้อนมนุษย์ทั้งหลายเดินไปสู่ลานปราหานแล้วเมื่อถึงเวลาก็เงื้อดาบ ประหารไปทีละคนทีละคนทีละคนวันแล้ววันเล่าสังเกตไหมว่ารอบตัวพวกเรานะความตายเรียงรายอยู่รอบหมดเลยแล้วค่อยๆเข้าใกล้มนะันช่วงที่ผ่านมาตามาก็สัมผัสได้มันใกล้ก็ามาเหมือนกันนะ ลูกศิษย์อยู่รอบตัวก็ไปละคนเดนละคนติดติดกันสามสี่คนชักวิวเหมือนกันไปมานาหางหน่อยสิเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้สัมผัสได้เอาละสักวันหนึ่งเราก็ไปแต่วันนี้ไม่ว่างติดธุระ ไปก่อนแล้วกันยังมีประชุมอยู่การคณะสองยังมีอยู่ไปก่อนแล้วกันแล้วคอยตามไปก็คงพูดได้อย่างนี้จริงๆไม่ได้ปฏิเสธเพียงแต่บอกอล่วงหน้าไปก่อนแล้วกันแล้วก็ตามไปทีหลัง ค่อยๆบีบคั้นนะพวกเราเกิดมาบีบคั้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งหลายคนรู้สึกว่าหายใจไม่ทั่วท้องบางคนก็รู้สึกว่าเหนื่อยเลือเกินบางคนก็บอกฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากจะทำแล้ว ฟังแล้วน่าสงสารหมดเลยรวมทั้งตัวเองด้วยนี่พูดจริงนะอาจารมาไม่ใช่สงสารแต่ผู้อื่นแม้ตัวเราเองก็น่าสงสารโยมสงสารตัวเองเป็นไหมคนโง่ไม่สงสารตัวเองสงสารแต่คนอื่นหัดสงสารตัวเองบ้างสิอาจามาไม่ล้อเล่นนะคำนี้ เรารู้สึกสงสารตัวเองบางครั้งก็สมเพชบางทีก็เวทนาเอาให้มันครบอา้าวคนเราโยมชะตาชีวิตไม่ใช่เรากําหนดได้ตามที่อยากแค่ได้ไม่ใช่บางทีสิ่งที่เป็นใช่ว่าเราอยากจะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นใช่ว่าเราไม่อยากจะเป็น ใจจะขาดอยู่แล้วอยากจะเป็นนะแต่มันเป็นเป็นไปไม่ได้จึงบอกเออบางอย่างที่เห็นมันไม่เหมือนที่เราคิดไว้บางอย่างที่คิดไว้มันก็ไม่เหมือนที่เรากำลังเป็นอยู่อดสูหรือเกินว่าบางทีนี่แหละ คือชะตาคือชะตาชีวิตชะตากรรมโยมอ่านโยมเรียนโยมท่องโยมบ่นไปเถอะทุกวันนี้หลายคนบน่บนนะบ่นตั้งแต่เช้าจดเย็นบ่นไปหาพระแสงอะไรก็ไม่รู้ กูอย่างงั้นกูอย่างนี้ถอะไม่มีกูสักคนนึงมึงจะอยู่ยังไงเนี่ยทุกอย่างเถะโอ้ยาวยา ว, ยาวเอาเถอะเราตายโลกนี้ก็ยังหมุนต่อเชื่อจะมาเถอะเชื่อเถอะคนหนึ่งคนไหนตายไปสักคนหนึ่งประเทศก็ต้องเดินต่อเชื่อเถอะจัดโลก ล้วนมีกรรมเก่าเป็นเงาตัวบางอย่างเราห่วงมากทำให้กินนอนไม่หลับกินนอนไม่ลงเราจมอยู่กับชีวิตมากไปจนจะหายใจไม่ออกอึดอัดแล้ว จริงบนออกมาเบื่อบางทีแดกตัวเองนะกูจะไปบวชแล้วแดกทําไมบวชไม่ได้แล้วมาแดกกูวุ่นวายอย่างนี้กูไม่อยู่กูจะไปบวชแล้วกูจะไปบวชที่ให้รู้แล้วรู้รอดรู้แล้วรู้เล็ดไป พูดเชา้าตกเย็นเคลิอมอีกแล้วเคลิมอีกแล้วเคิ ม, ค ร, มรู้แล้วรู้แลดไปแลดอีกแล้ ว, ลวมนุษย์สับสนวุ่นวายไม่สิ้นสุดไม่รู้หยุดอยู่ที่ไหนใช่ว่าคนนี้คือคนอื่นไกลที่แท้ใจเราเองทั้งนั้นเหลวไหลตั้งเพครับบอก กำหนดดีๆศึกษาธรรมอาศาัศจรรย์นะโยมนั่งดูจิตมันพิษดานพิโสโงงงวยมันเหมือนมี ม, มนคลสกดและมันเป็นคลังคลังชีวิตนะข้างในมันเก็บอะไรไวะะ้เยอะโยมยันนึกว่าชาติเดียวโยมระลึกไม่ได้ถ้าระลึกได้นะเราจะได้เห็นอะไรเยอะมากประวัติศาสตร์ในอดีต ภูมิศาสตร์ในอดีตเป็นยังไงจากทะเลเป็นภูเขาจากภูเขาเป็นทะเล ก, ก็แล้วแต่ที่ลุ่มที่ดอนภัยพิบัติเข่นข้าพัดพรากหนีจากตามล่าอาภัยลังแค้นอโหสิไม่ยอมยิกยักเต็มใบหมดเหรอ ภาษามันซับซ้อนกันไม่รู้ภูมิไหนพบไหนใช้กันไม่รู้ยังไงจะบอกอื่นจิตเรานี่มันเป็นคลังทุกอย่างแต่มาไม่แปลกใจพระเจ้าระลึกชาติได้ไม่ใช่ระลึกจากผิวหนังระลึกจากจิตภายในไปสู่ภูมิที่เคยมีเคยเป็นเคยเกิดมาแล้วทั้งนั้นย้อนไป ไม่รู้กี่ชาติและโยมว่าทำไมมันมากมายขนาดนั้นธรรมาจึงเชื่ว่าเป็นคลังนะคลังชีวิตมันเป็นคลังทุกอย่างมันยิ่งกว่ากล่องดำอีกนะมันเก็บได้นานมากเพราะสิ่งนี้ไม่มีกำว่ า, าสึกหรอ มีแต่ว่ตกผลึกเมื่อไร่ใครมีพลังอำนาจพอที่จะลงลึกและสามารถเข้าถึงจุดนั้นได้เราก็สามารถเห็นสิ่งเหล่านั้นได้จึงเรียกว่าระลึกรู้อดีตอัตติตาอาดีต เรื่ว่าสายานก็นไปอดีตานยานอันรู้อดีตถ้าขงพระพุทธเจ้านี่ก็บุกเพนิวาสานุสติยานถอยไปถอยไปถอยไปจางแค่ชาตินี้เนี่ยพวกเราก็ระลึกขนาดชาติเดียวว่าเรายังประดิษฐ์ประตอไม่ค่อยได้เลยนะ ที่จำได้เฉพาะสิ่งที่เสียใจที่สุดกับประทับใจและสิ่งที่มีคุณมีโทษสิ่งที่เคยเจ็บปวดหรือมีความสุขเราจะจำสิ่งเหล่านั้นนอกนี้ก็ใช้แล้วก็เหมือนกับสบูย่ยกหมดแล้วก็หมดไปมันแค่ถูกกายอยู่แต่มันไม่มีสาระอะไรถึงบอกเอออะไรที่ ประทับใจมันก็จะอยู่ในใจอะไรที่เจ็บใจมันก็อยู่ในใจออกมาถึงบอก อ, อมนุษย์ไม่ใช่เพิ่งเสียใจเป็นวันนี้เหมือนนางตาบจลาที่เล่ามาหลายครั้งนางไม่ใช่เพิ่งสูญเสียคนรักในชาตินั้นที่จนถึงกับวิปลาส นางสูญเสียมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วเหมือนพระโมคคลาพอละลึกชาติได้ยอมให้ชะตาชีวิตเป็นไปนตามลิขิดแห่งกรรมให้จนห้าร้อยเขียนตี กระดูกแตกแหลกเหลวไม่ต่อด้านเลยไม่ต่อสู้เลยมีหรือคนดีดียอมให้เขาทุบดีทนั่งที่ไม่ได้ผิดอะไรเลยชาตินี้ชาตินี้นะแต่มีผลแต่ชาติก่อนแล้วก็ต่อว่าชาติบางก่อน ย้อนไปกี่ชาติพระโมคคลาก็พลาดตรงที่ได้เมียไม่ดีทำให้ตัวเองตกต่ำเสียมสอนให้ทุกตีพ่อแม่ใช้มายาทุกอย่างสร้างเรื่องทุกเรื่อง ให้จนไม่มีทางใจเดินสุดท้ายพระโมคลาก็ตกลงสู่แผนการของผู้เป็นเมียที่ไม่เอาพ่อแม่ของสามีสุดท้ายแกล้งเป็นโจรร้นกลางทางทุกข ตีพ่อแม่เพื่อให้ตายหลอกพาไปกลับบ้านพ่อแม่ตาบอดแล้วนะพอลูกตีทุกครั้งพ่อแม่กนี้ไปเธอลูกอย่าห่วงพ่อขอวงแม่เลยพ่อแม่แก่แล้วลูกแถมยังตาบอดอยู่หรือปิดหน้าไว้นี่ถ้าตีพ่อแม่ก็ไม่เห็นทุกครั้ง ร้องให้ลูกหนีไปเถอะลูกอย่าห่วงพ่อแม่เลยพ่อแม่ตาบอดพ่อแม่แก่แล้วไปเถอะลูกพระโมคคัลลาน้ําตาไหลทุกครั้งตีครั้งหนึ่งก็ร้องว่าลูกไปเถอะไม่ต้องห่วงที่แทนลูกตีพ่อแม่เวรกรรมไม่สิ้นสุดตั้งแต่ชาตินั้นเป็นต้นมา บอกไม่อยู่ในนรกวิบากมันก็ถูกเคียนถูกทุกถูกตีถูกเลา้าถูกแทงทุกอย่างถูกทรมานเศษกรรมวิบากออกมาอีกกี่ชาติกี่ชาติก็ถูกทุกตีกระดูกแตกจนถึงชาติสุดท้ายพลาดแค่ครั้งเดียวแต่กรรมวิบากใหญ่หลวงเพราะทำลายผู้มีคุณ ทำลายผู้ให้ชีวิตบอกได้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายไม่มีใครอยู่กับเราแล้วเราเป็นมารไปแล้วจิตนี้เป็นมารไปแล้วฝ่ายขาวจะไม่อยู่กับเราอีกเลยสุดท้ายก็ ไม่ตอบโตรู้แรงกรรมยังให้อยู่ผลกรรมยังมีอยู่วิบากกรรมยังส่งอยู่ยอมถู ก, ถกทุกตีทั้งทั้งที่ฤทธิ์มากรองจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นแค่ปรมโมคลาเพ่งก็เป็นจุดแล้วแต่ไม่ถึงบอก นี่แหละผู้หลุดพ้นจริงๆเขารู้ถึงกรรมวิบากชาตาิถ้าเราเป็นคนธรรมดานี้ไม่มีเหตุผลที่จะยอมเพราะชาตินี้เราไม่ได้ทำและมาทำเราทำไมเราจะมีเหตุผลว่าเราไม่ผิดถูกอย่างกันอย่างนี้สารพัดเราไม่ยอมรับ เพราะเราไม่รู้แต่ท่านรู้จึงบอกเออชีวิตเราผ่านอะไรมาบ้างคนที่ดีอยู่ในวันนี้อย่าท่านงงตัวนะอาจจะเลวมาจากไหนมากี่ชาติก็ไม่รู้โดนเคียนตีจนเจ็บเข็ดหลาบแล้ว แล้วก็มาเป็นผู้ถือศีลรักษาธรรมอยู่แต่มาก็ได้คตินะและบอกกับตัวเองเลยว่าเราคนดีจริงไม่ซ้ําเติมผู้อื่นใครจะเลวใครจะผิดเรื่องอะไรมาแตมาไม่ซ้ําเติมบอกตัวเองว่าถ้าเราไม่เป็นหมอรักษาเขาเมื่อเราไม่เป็นพยาบาล ไม่ใส่ยาให้เขาก็อย่าไปเปิดแผ่ให้กว้างขึ้นอย่างมากเราก็วางเฉยต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่เราไม่เบียดเบียนท่านท่านก็ไม่เบียดเบียนเราชะตากรรมเป็นของแต่ละคนกรรมเมลิขิตจริงๆคำนี้เพราะมาก กรรมาลกขิดและมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเลยใครทําแทนก็ไม่ได้ตอบแทนก็ไม่ได้เอามือไปลบล้างก็ไม่ได้เอาเท้าไปลบก็ไม่ได้ใช้คำว่าชดใช้ไม่ใช่ทดแทนนะชดใช้ เอาชีวิตชดใช้เอาจิตวิญญาณชดใช้บางครั้งเราก็เสียใจนั่นชดใช้นะใช้ความเสียใจเป็นการชดใช้กรรมวิบากพวกเราบางครั้งเสียใจยมอยูน่นึกว่าเสียใจนะไม่มีค่านะนั่นแหละการเสียใจนั่นคือการได้ใช้แล้วนะแต่อย่าซ้ำเติมตัวเองแต่มามีบทของอาตมาเรา จะไม่ซ้ำเติมตัวเองเรารับกรรมแค่นี้ก็พอแนละ้วใหญ่ต้องเศร้าหมองอีกถ้าเราเศร้าหมองนั่นคือซ้ำเติมการเสียใจการทุกข์ใจ เ, เราต้องรีบตั้งสติยกจิตขึ้นมาใหม่ไม่เช่นนั้ น, เ, นเราเหมือนไม่มีธรรมคุ้มครอง เราเหมือนไม่มีปัญญารักษาจิตเลยเท่ากับเกิดมาใช้เพียงแต่เวรกรรมแต่ไม่ได้เจริญกุศลให้ไปสู่สุคติถ้าแบบนี้ยาวยาวคำว่ายาวคืออกุศลวิบากกรรมเราจะมีแต่ความทุกข์ หมุนมองเศร้ามองและสุดท้ายอยู่มันคนไม่มีกระจิตกระใจที่จะอยู่เพียงแต่มีลมหายใจชีวิตที่อยู่มันยิ่งกว่าตายทั้งเป็นอีกน่าบางคนอกหักผิดหวังช้ำรักเนี่รตะมาบางทีมันเรื่องกรรมน่าแต่เราไม่รู้เองกันเลยเศร้าช่วยตะมาพูดแล้วสะท้อนนึก ถึงห่านคู่เล่าไปหลายรอบแล้วพอพูดว่ามันเห็ น, นพอไม่ใช่จํามาแต่รู้มาจริงๆแม้สัตว์ก็ยังมีความรักมีการถนอมซึ่งกันและกันครอเคี์กันห่านมันคอยาวนี่มันจะเอาคอสีกันไปสีมาแตมาบินดาบาตเช้าเก่อนจะข้ามลำธารก็เห็น เขาก็ลอยน้ำเล่นใช้ปากชอดช้กันไปกันมาแต่มาก็ยืนดูเราก็พอยมีความสุขไปด้วยนะ่ะที่เห็นเขามีความสุขแต่ความสุขโลกมนุษย์มักอยู่ได้ไม่นานผู้อลไรอยากร้องไห้จริงความสุขมนุษย์ในโลกใบนี้มักอยู่ได้ไม่นาน สุดท้ายพัดพรากล้มหายตายจากเจ็บป่วยมีเหตุที่ต้องจากไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องใดหรือเกิดจากภัยขึ้นมาสักอย่างหนึ่งอย่างใดปรากฏว่าเดินไปอีกยังไม่ทันออกรรษาเห็นหานอยุดตัวเดียว นั่งน้อยอยู่ริมฝั่งมองอยู่ที่ทางที่จะข้ามที่ทเป็นลำธารนแต่นั้นไม่มีสะพานต้องถกจีวรวนวันเขาแล้วก็เดินข้ามไปต่มาก็ยืนดูอา้าววันนี้ไปไหนแ ล, ะละ้วลายอีกตัวเนี่ย สงสัยสองวันสามวันสี่วันอาการมันไม่ดีก้นเลยจะมาเห็นอดอยากรู้อยากเห็นไม่ได้ก็เลยไปถามไปถามหานเพี้ยนไหมเพี้ยนเนา ะ, อ, ะอดสงสัยไม่ได้ก็เลยถามโยมแถวนั้นเออโยมก็จากบาทฉันก็ถามบอกโยมจะมาก็ถามหน่อย ห่านอีกตัวมันไปไหนเขาบอโอ้ยรถเหยียบตายไปเมื่ออาทิตย์นูจะมาเข้าใจร้องอ๋อเลยบอกอพยักหน้าพยักหน้าแล้วก็รู้สึกสงสารสัตว์กระทมตรมตรอมบางกันเนาะ มันมีความรู้สึกเหมือนเราเลยมีความรักมีความทุกข์เหมือนกันมีคำว่าการรอคอยมีควาว่าหงอยเหงามีควาว่าว้าวีมันเหมือนเรารู้สึกอีกไม่นานห่านตอนนี้จอมใจตายเรื่องจริงนะคนตรอมใจตายได้ ในใครเคยตอมใจตายบ้างแล้วยกมือขึ้นฟื้นใหม่หรือเปล่าตอมใจตายคือทุกอย่างมันหมดอะไรใจอยากไม่อยากขยกับไม่อยากจะกินไม่อยากจะดื่มไม่อยากจะอะไรทั้งหมดใจผูกอยู่กับสิ่งที่มีอยู่วันนั้นนึกแต่สิ่งเก่าๆนี่ก็เป็นวิบากกรรมอย่างหนึ่งที่สัตว์มาใช้กรรมเราเคยพลากอะไรใครมา แย่งของรักใครไปจนทำให้เขาต้องทุกข์จนถึงกับต้องจบชีวิตลงแบบจิตใจที่มันห่อเหี่ยวไปหมดเหลือเชื่อห่าน ร, รอมใจตายถ้าไม่เชื่อยงไปถามมันดูแล้วกันรอมใจตายถ้ามาเห็นแล้วสังดวยจริงหรือความสุขมนุษย์ อยู่ได้ไม่นานเป็นเช่นนี้จริงๆรหรือมันเป็นเรื่องกรรมมาวีบาาเราไม่รู้เราไม่รู้บางคนอยู่กันแบบถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรจูงมือขึ้นเมนพร้อมกันเลยเดินสันไปต า, ย, าย้ายเส็จเรื่องแ ล, แล้วล่ะ ขึ้นไปนอนก่อนนะแบ่งคนละครึ่งน้อยที่ยัมีคำนี้จะบอกออโสดาบันเข้าใจยังไงปุตตชนเข้าใจแบบไหนอาตมาจริงบอกว่ากระแสโสดาบันท่านไม่หลงลืมสติ ที่เห็นเป็นอนิจจังท่านไม่ลงลืมสติที่กำหนดรู้ในทุกขงังท่านไม่ลงลืมสติว่าที่สุดบังคับบัญชาไม่ได้สุดท้ายทุกอย่างเสื่อมเสื่อมตามการเวลาหรือแตกดับและที่สุดสิ่งนั้นก็จะว่างเปล่าไปในที่สุด สิ่งนั้นเคยมีอยู่แต่วันนี้สิ่งนี้ไม่มีเหมือนพ่อแม่พวกเราเคยอยู่ในบ้านเดี๋ยวนี้ในบ้านนั้นพ่อแม่หลายคนไม่มีมีแต่รูปถ่ายเก่าๆพวกเราพาท่านไปอยู่วัดบรรจุอัฐิใส่โกรธไว้ตามรอบกำแพงวัดมา ทำเจดีย์อยู่ในวัดบบบางทีก็ไปไว้ตามสุสานจนเป็นสุสาน ร, ร้างก็มีแตมาไม่ได้โทษใครแต่บอกมันเป็นเช่นนี้ต่อให้โยมเอากระดูกมาห้อยคออยู่มันก็เป็นเช่นนี้ บ้านหลังนี้เมื่อก่อนเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ววันหนึ่งเราเองก็ไม่มีอยู่ในบ้านหลังนี้หรืออาจจะถูกขายก่อนก็ได้บ้านบอตามาบอกเข้าใจแล้วมนุษย์ถ้าไม่ยกจิตขึ้นสูตรธรรมไม่พ้นความทุกโศกเสียใจร่ำไรรำพัน รับรองได้ว่าเราไม่พ้นแน่เลยไม่มีใครพ้นได้แต่มาบอกรู้แล้วใครักฟังง่ายแต่ทำยากใครเข้าถึงไตรักได้โซดาบันอยู่แค่เอื้อมแสดงว่าโปร่งได้แล้ว วางได้บ้างแล้วทุกกำหนดรู้จริงๆแล้วเห็นตัวเองสุดท้ายก็ว่างเปล่าจริงๆถ้าถึงตรงนี้ได้นะ่ะโยมมีชีวิตอยู่กล้าพูดว่าไม่มีความทุกข์ ที่จะเพิ่มกว่าที่เคยมีมาแล้วยมเข้าใจสัจจะชีวิตแท้แล้วนอกจากนี้เหลือแค่ความลำบากเด็ดเหนื่อยอดทนฟันฝ่ายมต้องเดินผ่านมันไปให้ได้ขันติ มีทำไมวิริยะมีเพื่ออะไรสมาธิมีทำไมเราต้องเอาธรรมะมาใช้ให้กับชีวิตจิตวิญญาณไม่อย่างนั้นโสดาบันไม่ใช่ฉันคนเป็นโสดาบันต้องใช้ธรรมะคุ้มครองจิตแล้วโยมน่าจะสังเกตเองว่าที่เราไม่ถึงกระแสเพราะเราไม่เอาธรรมะมาคุ้มครองจิตเราไม่เอาธรรมะมาใช้ในชีวิตของเราเราจริงอ่อนแอ และยอมรับความจริงไม่ได้หรือเข้าไม่ถึงความจริงเราก็จะวันวัยซะก่อนอาจะมาบอกหว่าสิ่งที่ต้องการใช่ว่าจะได้สิ่งที่ได้ใช่ว่าจะต้องการสิ่งที่อยู่ใช่อยากจะเป็นอย่างนี้ต้องทนเป็นอยู่มันอะไรกันนี่แหละ ชะตาชีวิตบางครั้งเขาก็ให้เราหัวเราะคิกคิคักคักหัวเราะไปบท ม, มันมีหัวไปแต่ยัานานเกินเดี๋ยวเขาว่าบ้าหัวเราะไม่หยุด5านาทีบ้าแล้วน้ำลายไหลแล้วตาค้างแล้ว เจ็บท้องและหัวเราะหัวเราะแบบคืนมาหอนไม่ไหวค้างกก้กๆๆไม่ไหวหัวเราะแบบมีสติร้องให้แบบมีสติขัดเอาไว้เสียใจแบบมีสติดีใจแบบมีสตินี่คือเบื้องต้นแห่งการบรรลุธรรม อย่าร้องแบบไร้สติดีใจแบบขาดสติมันจะฟูฝ่ายมากไปบทจิตจะฟูมันก็ฟูจนระเบิดก็ได้บทจะแฟบแฟบจนมันหมดสภาพโสดาบันจะต่างกับเราตรงที่ว่าท่านเอาธรรมะ มาเยายยารักษาจิตไม่ใช่ว่าท่านโศกไม่มีโศดาบันเบื้องต้นยังมีโศกอยู่นะไม่ต้องดูใครดูพระอานนท์นี่แหละตอนที่พุทธเจ้าอีกสามเดือนภายป้างหน้าสเสด็จดับขันมหาปรินิพพานพระอานนท์ โสกาอดูนเป็นยิ่งนะเพราะตนเองยังไม่บรรลุคุณธรรมถึงขั้นสูงแค่โสดาบันแต่พระพุทธเจ้าจะจากเราไปแล้วเสียช่ปลีกลีกออกไปยืนร้องให้พุทธเจ้านะ โคตเดเจ้าสเด็จตามไปปลอบอนุเธออย่าเสียใจไปเลยเมื่อหลังจากตถาคตรปรินิพานไม่นานเธอก็จะได้บรรลุคุณธรรมขั้นสูงพอฟังแค่นี้หายเสียใจเลยคือหายโศกเศร้าโสดาบันยังมีนะ ยังมีไฟตกไฟไฟตกไฟเกิดบ้างแต่ว่าไม่มากสติสามารถระลึกได้ยกจิตขึ้นมาแต่มาบอกว่าที่รู้ตอนนี้ในการปฏิบัติคือในทุกขณะแห่งการภาวนา ที่เรามีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนอยู่ตรงไหนอิเดียบทใดก็ตามเนี่ยนะจะบอกมืดค่าเช้าดึกอะไรก็สุดแล้วแต่เย็นร้อนก็แล้วแต่พอเกิดอะไรขึ้นอาตมารู้อย่างนะสติไม่เพลินเลยแล้วไม่ขาดสติทุกอย่างรับรู้หมด แต่พอเกิดอะไรขึ้นจิตมันยกขึ้นได้แต่มาบอกมีหน้าบอกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คือคำนี้เองว่าจิตยกขึ้นจิตยกขึ้นสู่ธรรมได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โยมมาเทียบเคียงดูครับนี่ผู้ปฏิบัติขั้นโสดาบัน พอเกิดอะไรขึ้นจิตสามารถยกขึ้นสู่ธรรมะได้ตกอยู่นั้นเดี๋ยวเดียวปุ๊บยกแล้วมีนาท่านจึงไม่มีคำว่าอารมณ์นี้จะบูดเน่าค้างวันค้างคืนมันเลยไม่เสียมันแค่แป๊บหนึ่งแบบรู้แบบสายฟ้าแลบปุ๊บสติระลึกได้แล้ว จิตตื่นน้อมท ร, รมพิจณายกเข้าสู่ใจลักสลัดความเศร้าโศกทั้งหลายยกจิตอยู่เหนืออัตตาตัวตนโสดามันมิหน้านารกท่านไม่ตกท่านยกจิตขึ้นสู่ธรรม และท่านไม่ให้จิตของท่านตกข้ามคืนข้ามวันหรือข้ามชั่วโมงด้วยนะเป็นได้แค่แป๊บหนึ่งเท่านั้นแหละเพียงแต่รู้ว่าจิตท่านเป็นนี้ปุ๊บสติตั้งแล้วจิตรู้แล้วปัญญาเห็นแล้วน้อมทําขึ้นมายกจิต ขึ้นสู่ธรรมดำบอกมิหน้าอริยะยกจิตเข้าสู่ไจรักตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอย่างนี้เองนรกไม่จมลงไปสู่นรกจิตแบบนี้ท่านมีใจรักสุดท้ายยกเข้าสู่ใจรักเห็นสามัลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เองโสดาบัติบวกกับ ท่านเป็นผู้ไม่ละเมิดสินทุงเนี่ยท่านเป็นผู้มั่นคงทุกบอกยอมท่านยอมยอมเสียชีวิตแต่ไม่ยอมเสียศีนเออบอกสละทรัพย์รักษาอวัยวะปุถุชนสละอวัยวะรักษาชีวิตยังเป็นปุถุชนอยู่แต่สละชีวิต รักษาศีลธรรมไม่ใช่ปุถุชนไม่ใช่ถ้าใช่ปุถุชนไม่จับอาวุธเข้าประหารกันหรือ่้ามหันกันเรามาเข้าใจต่างกันตรงนี้ท่านรักษาศีลธรรมยิ่งกว่าชีวิตเคยแสดงว่าเพราะอะไรที่ท่านไม่ตกนรก เพราะถ้ามีคนฆ่าท่านตายเบียดเบียนท่านทำลายท่านเมื่อท่านไม่ได้สร้างบาปต่อเมื่อท่านตายท่านก็เป็นผู้ไม่มีบาปจิจท่านก็ยังมีกุศลทำอยู่อริยะท่านไม่กลัวตายน่มาบอกความตายเป็น เป็นสิ่งเริ่มเกิดท่านนั้นเองหลังความตายคือความเกิดเพราะท่านรู้ภูมิของท่านแล้วเมื่อท่านตายจากภูมินี้ท่านเกิดสุคติมากกว่าที่มีอยู่ด้วยเพราะนี่ได้ใช้วิบากเมื่อวิบากเบาบางกุศลกรรมที่มีอยู่ก็ส่งเสริมใหม่สิ่งที่ท่านจะได้ก็คือความเจริญรุ่งเรืองในชาติภูมิพพในฐานะเข้าของเงินทองยศศักดิ์ทุกอย่าง จะได้มาจากกุศลกรรมดีถึงท่านไม่ปรารถนาแต่สิ่งนั้นเป็นบา ร, รมีที่ท่านทำเอาไว้เออยอมตายไม่ทำลายผู้อื่นบาปย่อมไม่เกิดกับท่านนรกย่อมไม่มีสุคติเป็นอย่างนี้เองใครทำได้ใครทำไม่ได้ตัดสินกันอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่อยู่ที่พูดว่าคนที่โสดาบันไม่โสดาบันหรอกใครทําได้ใครทําไม่ได้ตัดสินกันอยู่ที่จิตห่วงขณะจิตหนึ่งห่วงคิดหนึ่งห่วงจิตหนึ่งปัญญานําพาจิตไปทางไหนแบ่งกันตรงนี้นรกสวรรค์มารพรมเนี่ยนะบอกเออแต่ามาดูบางครั้งก็หนักเหมือนกันเนาะ มันจะพ้นไหมเนี่ยเราลองเอาตัวไปเทสดูหน่อยเผื่อจะได้เป็นอริยะบ้างเทสๆเทดูก่อนอาจจะไปให้ก็สัมภาษณ์ดูหน่อยว่าผ่านไม่ผ่านเนไปสมัครงานก็มีสัมภาษณ์ใช่ไหมไอ้นั่นมันเป็นเรื่องจิตจริงๆนะเรื่องชีวิตที่เราจะผ่านไม่ผ่านเรื่องแห่งธรรมล้วนๆเออ เข้าใจแล้วท่านยกขึ้นใจแล้วไม่สนองความเลวความชั่วไม่สนองความมีตัวตนแต่ถือไว้ซึ่งธรรมในการปฏิบัติรักษาจิตสุดยอดจริงๆเลยสุดยอดแสดงว่า ท่านรักษาจิตบิน ญ, ญาณยิ่งกว่าร่างกายที่เรานั่งยืนเดินนอนอยู่นะเพราะเราแต่งเสริมได้ร่างกายแต่ท่านเสริมแต่จิตใจพลังของท่านไม่ธรรมดาอำนาจจิตของอริยะไม่ธรรมดาถ้าธรรมดามาไม่ถึงตรงนี้ไม่ถึงจุดไหนยังพร่องอยู่เนี่ยเราต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่ไม่รู้นะ การปฏิบัติที่เราจะข้ามมันได้เหมือนเราทําสะพานเหนื่อยอีกเยอะเลยเหนื่อยแต่มาบางครั้งก็รู้สึกแต่เราก็ไม่มีทางที่จะถอยเพราะเป็นเส้นทางเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็มาทางนี้ปัจเจก็มาทางนี้อรหันต์ก็มาทางนี้ อริยโสดาบันก็เริ่มจากจุดนี้เหมือนกันตามกว่านั้นคติไม่แน่นอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวทำลายจริงไมโยมว่าพวกเราโนะถอย่าบอกนะว่าไม่เคยทำร้ายคนต่อมาไม่เชื่อถ้าเชื่อคือโง่แล้วจริงเคยแต่ต่อจากนี้ไป จะพยายามไม่ทำใช้ว่าจะพยายามมีจะและพยายามนะแต่ได้ไม่ไดไ้ไม่รู้จะพยายามไม่ทำวงเล็บท่านไม่จำเป็นมันอยู่ที่อํานาจพลังจิตหรือว่าเราอยู่กับธรรมะมากกว่าหรืออยู่กับตัวตนมากกว่าเนี่ยตัดกันตรงนี้อริยะไม่อริยะธรมาบอกรู้แล้วรู้แล้ว พอเห็นทางแล้วพอพอรู้นะลองลองลองไปนั่งดูมันร้อนไหมก้นอา้าวพอจะมีที่แทรกไหมทุกอย่างเรารู้ดูเห็นเอเข้เาใจเป็นยังไงถือว่าอย่าให้โกรธโลภหลงครอบงำเราแม้แต่สิบนาทีพอเกิดพึบ ต้องสลัดให้เร็วสลัดทิ้งให้เร็วปุ๊บปบ๊ถ้าโยมสลัดช้ามันคล้ายๆปลิงนะหรือทากพอมันเกาะมันก็จะดูดดูดดูดดูดเลือดหรือมันจะถ่ายเชื้อโรคเข้าไปเราต้องคอยปกป้องป้องกันตลอดมันเหมือนยุงอะ่ะถ้าเป็นยุงมีเชื้อยุงลายอนะไรเนี่ย พอเกาะปุ๊บเนี่ยยาทันให้มันเอาเข็มเจาะนะปัดรู้เลยพอถูกปุ๊บ๊เราก็เร็วมันก็เร็วแต่เรานี่เร็วกว่าพอถูกปุ๊บปัดมันต้องฝึกกันอย่างนี้เลยนะตาต่อตาฟันต่อฟันยมแบบมันมันทันกันอะปุ๊บปปุ๊บถ้าอย่างเงี้ยไปได้แต่ถ้ามันเกาะอยู่ตั้งนานแล้ว ยังหลับเชืออยู่เสร็จแล้วล่ะอีกสิบห้าวันมันก็ฟักไข่ฟักตัวแล้วเชื้อเพียบแล้วดูอย่างเงี้ยพอกระแสอะไรเข้ามาปุ๊บเราจะไม่เก็บไว้นานสลัดออกพอกระทบอะไรปุ๊บพอใจรู้ถ่าจะปรุงแต่งเรารู้แล้วเราจะไม่ปรุงแต่ง เราจะไม่ปรุงแต่งเรารู้แล้วถึงบอกตรงนี้แหละตาเป็นของร้อนหรือเปล่าจริงๆตาไม่ได้เป็นของร้อนใจเราต่างหากตามันมีหน้าที่มองวิญญาณรู้จิตเราเนะ่ะมันก็รับรู้ มันร้อนไหมหูเป็นของร้อนไหมแต่มาเคยเมื่อก่อนถ้าพูดอย่างนี้นึกข้างในบอกสวยแน่ไม่ใช่สวยแบบโสภานะสวยแบบภาษาอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวก็สวยหรอกนะมันสวยคนละแบบรู้แล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนนึกเลย มันคงไม่สงบแบบนี้มันต้องมีเรื่องขึ้นแล้วแะแต่เอาละจิตเราไม่ไปตรงนั้นแล้วนี่คือการชนะเราฝึกไปเรื่อยๆชนะจากสิ่งเล็กๆในน้อยนะมันเหมือนเป็นการบอกเราว่าการชนะครั้งยิ่งใหญ่รออยู่ข้างหน้าโยมต้องเริ่มจากจุดเล็กๆไว้ก่อน ผู้จ้าบอกอย่าดถูกว่าบาปน้อยนิดงูตัวเล็กนี่มีพิษตายนะพระราชายาไว้สั่งประหารได้อย่าไปยั่วท่านนะไม่ขีดการเดียวนี่ผอเมืองได้หมดทั้งเมืองไม่ได้ไปดูถูกว่าอย่าพิษแค่ช้อนเดียวตายไม่ได้ทุกอย่างมันมีจุดเริ่มต้นก่อน เราต้องฝึกชนะจากสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนอย่ามองข้ามฝึ ก, ฝ ก, ฝ ก, ฝกจนรู้ว่าวันข้างหน้างานใหญ่ต้องสำเร็จนี่คือการฝึกตัวเองไปเรื่อยๆตอนนี้ตามารู้แล้วพอเข้า ม, มาปุ๊บตามาฉลาดเลยนะพอเกาะปุ๊บตามาปัดปุ๊บนะไม่ให้สิ่งทั้งหลายมาอยู่ในใจตามาแม้แต่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมง ทุกวันนี้ปฏิบัติแบบนี้จริงๆนะพอคำมาแป๊บๆรู้แล้วยกขึ้นสู่ธรรมะสิ่งนั้นเกิดขึ้นก็ดับนะแล้วจิตเราไม่ตกต่ำนะคุณธรรมไม่ถดถอจิตไม่ตกต่ำปัญญาก็ค่อยรู้ไปเรื่อยลึกๆลึกๆไปเรื่อยธรรมะก็ค่อยเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดจนถึงสภาวะจิตเราเราสัมผัสได้เขาเรียก รถแห่งธรรมถ้าจิตโยมไม่สัมผัสธรรมจริงๆนะรถแห่งธรรมเราจะไม่ซึมมันจะไม่ซับกันจริงๆนะหลายคนปฏิบัติธรรมไม่ซึมซับในเรื่องรถแห่งธรรมสัพพะรัสังธรรมะลัสโศชินาตีบไม่มีรถใดเสมอเหมือนรถแห่งธรรมเลย มันจะผ่านความอิ่มเอิบปีติปราโมทผ่องไสบางครั้งนะมันสว่างนะสว่างใสไปหมดใสจริงๆนะนั่งดูโอทไมมันใสเหมือนแก้วบางวันนั่งใสจะ ย, ยิ่งเจอแสงอาทิตย์อ่อนๆช้าๆแล้วกระทบบเบาวิ้วใสนวลไปหมดเหมือนเทพมาจุติยังไงไม่รู้นี่พูดจริงนะแต่ไม่ใช่ทุกครั้ง เป็นเพียงแต่บางโอกาสและต่อมาเชื่อวพวกเราก็เคยสัมผัสบางทีก็เบาวิวบางครั้งนั่งตัวหยอยหนักแน่นเหมือนภูเขานั่งบึกบางทีเบาเหมือนลมผ่านมันนุ่นจะลอยเป้วนั่นมันเป็นสภาวะที่เราที่มันเกิดรู้แต่ทุกอย่างเราอย่าไปยินดีกับมันนะเพียงแต่รู้ มันยมกินอาหารเผ็ดหวานมันเค็มอร่อยเออกินไปเพื่อดับเวทนาแต่ถ้าอร่อยก็ดีมันก็ทำให้เจรนาอาหารแต่ถ้าวันนี้ไม่อร่อยก็เฉยเฉยเพราะสุดท้ายมันก็ดับเวทนาความหิวเหมือนกันมันต่างกันตรงเนี้ยถ้าคนเข้าใจลึกปุ๊บเราเข้าใจหัวจิตหัวใจของธรรมะเอเวทนาดับแล้ว ก็ไม่มีทุกข์อีกแล้วทาไมต้องบรทุกว่ามันเผ็ดน้อยไปเมื่อกี้ไม่มีน้าปลาจะไม่กินหรอกกิดไม่ลงขยี้พริกให้ฉันหน่อยสิพริกไม่มีฉันไม่กินฉันยอมอดดีกว่าโง่และอดฉลาดไม่ฉลาดแล้วยังทําโง่อีกนี่นี่ว่าซ้าซ้อนนั้นเนี่ยซ้าซ้อนเราไม่เข้าใจหลักชีวิต เวลาที่เลือกได้ตมาจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเวลานี้เลือกไม่ได้ตมะก็ปล่อยชีวิตเหมือนธรรมชาติอยู่กับดินเราก็เป็นเพื่อนกับผืนดินได้โยมจะมีความสุขและสุขแบบอิสระนะโยมทำให้มันถึงโดยโอนั่งกับต้นไม้เราอาศัยร่มเงาเป็นเพื่อนเรานะ่า มีสัตว์เป็นมิตรร้องถ้าไม่เข้าใจโยมก็จะไปเสดแต่มาบอกวันนี้เขาให้เลือกแต่มาก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดวันนี้เขาไม่ให้เราเลือกแถมเราเป็นผู้ถูกเลือกต้องทำในสิ่งที่เขาให้ทำก็จงทำให้ดีที่สุดถ้าไม่ผิดต่อสินธรรม ยมทำแบบหน้าบูดหน้าเบี้ยวอารมณ์เสียก็ทำเหมือนกันแล้วทาไมไม่ทําแบบอารมณ์ดีไปเลยล่ะแค่นี้คิดไม่ออกโถหน้าบอกบูดไม่รับคนก็มองหน้าล้อมึงไม่เต็มใจทําเขารู้กูก็ไม่ส่งเสริมมึงท่านนั่นเองเห็น ไ, ไหมแต่ถ้าเราเข้าใจนะวันนี้เลือกไม่ได้เราก็จะอยู่ กับสิ่งนี้ให้ได้วันไหนให้เลือกได้เราก็เลือกสิ่งที่เลิกกเดกว่าประเสริฐกว่าประณีตกว่าหลักชีวิตมีแค่นี้ยมทําให้มันได้และทุก์จะไม่เพิ่มกว่าที่มีอยู่แล้วแต่มาก็ประเอิฐดีใจโชคดีชีวิตนี้จากนี้ไปเราจะไม่ทุกกว่าที่เคยทุกมาแล้วและเราไม่ตกต่ากว่าชาติที่แล้วมาอีกถ้าจะเกิด ตะมาโล่งใจเลยนะไม่กลัวแล้วตายก็ไม่ตกต่ำกว่าชาติที่แล้วมาถึงใจอยู่ก็ไม่ได้ทุกข์กว่าที่เคยทุกข์มาแล้วความทุกข์นั้นมันไม่มากกว่านั้นแล้วบอกเออน่าอยู่นะบางคนก็บอกอะไรนะบางทีอยู่มันก็มีแต่ความทุกข์ครั้นจะตาย ก็ไม่แน่ใจว่าจะทุกข์มากกว่าที่อยู่หรือเปล่าบอโอ้จิตเขาไม่มีกุศลมันมืดแต่ถ้าจิตของเรามีกุศลอยู่นะโยมเห็นทางไปนะแต่มาบอกให้จิตมันจะบอกเราเองมาถึงจุดหนึ่งไม่ใช่เสียงคนอื่นเลยโยมต้องพูดกับตัวเองนาทีสุดท้ายไม่มีใครเป็นที่พึ่งที่บอกตอนเป็นที่พึ่งของตอนตอนนี้แหละ ระหว่างเกิดกับตายนี่แหละพอตายเนี่ยจิตต้องพึ่งตัวเองนะกรรมวิบากทั้งหมดที่สร้างมาไม่ใช่เรื่องเข้าของเงินทองแต่เรื่องวิบากกรรมจะส่งผลไปสู่ความเกิดนั้นเกิดยังไงเนี่ยอยู่ที่ตอนนี้เข็มทิศโยมตั้งตรงไหนก่อนที่จะสิ้นชีวิตเดนตมาส่งโยมพี่ล้วนั้น วางเส้ยดูแค่ลมหายใจอีกหน่อยลมนี้ก็ไม่ใช่ของเราลูกวางไว้สามีวางไว้ตอนมาเขาก็ไม่มากับเราเมื่อตอนจากเราก็ต้องจากไปเป็นธรรมดาไม่มีทุกขตรงนี้อย่าไปยึดไม่มีโศกตรงนี้มันเป็นธรรมดาเกิดตายพบจาก ความพัดภาคชีวิตเรามาใช้มันเมื่อใช้จบแล้วใหญ่ต้องทุกข์กับสิ่งนี้อีกวางทั้งหมดพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนึกถึงคุณพระคุณเจ้านึกถึงกุศลที่ทามานึกถึงทุกอย่างที่สร้างเอาไว้ในกุศลแห่งกรรมดีใครเคยให้ทานนึกถึงทานใครเคยรักษาศีลนั่งสมาธินึกถึงสมาธิ ใครเคยสร้างพระวรธานนึกถึงพระวร า, านใครเคยสร้างบดนึกอะไรก็ได้ให้เป็นกุศลอยู่กับกุศลเหมือนมีวิมานอยู่อยู่หรืออยู่กับธรรมะใจเรามีธรรมะเราก็อยู่เวลาจะหมดแล้วยต้องทุกข์กับมันอีกเพียงพอแล้วทุกที่มีบัดนี้เราไม่ทุกข์แล้ว แล้วก็วางทุกอย่างนั่นแหละถึงฝั่งแล้ววางทุกอย่างลมหายใจนี้เงียบไม่ฉดุดเลยนะพอธรรมารวนนิ่งธรรมาก็เดินออกไปไม่ถึงสี่ห้านาทีโยมก็บอกว่าไปแล้วธรรมาก็เข้าสมาธิต่อส่งจิตวิญญาณก็ พี่น้องที่ไม่รู้ก็ร้องให้กันนะร้องให้แต่มาไม่สนตรงนั้นกำหนดอย่างเดียก็ส่งเข้าไปสุขติสุดท้ายเราพึ่งใครไม่ได้จริงๆกรรมเป็นที่พึ่งของเราสามีพึ่งภรรยาก็ยังไม่ได้ ภรรยาพึ่งสามีก็ไม่ได้ถ้าคนคนนั้นไม่ทําด้วยตัวเองเหมือนเรื่องนางเลวดีนะแล้วก็เคยเล่าให้ฟังกับนันทิยะสามีบุญมากมายภรรยาสร้างได้บาบกรรมพอตายไปก็นึกว่าบุญของสามีตัวเองจะได้วิมานกับอกเธอไม่มีสิทธิ์สิทธิ์ของเธอไม่มีเพราะเธอไม่ได้สร้างไม่ได้ทําไม่ได้โมทนาอะไรเลย จะว่าเป็นบัวเมียทมบุญต้องรู้กันนะจบอธิษฐานสาธุพร้อมกันได้ก็บอกคนเป็นให้รับรู้คนตายให้อุทิศสมควรเวลาก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทิน